เด็กฝึกสมาธิได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่ข้าพเจ้าได้ประมวลปัญหาต่างๆในทางจิตใจเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับหลักการในทางสมาธิมาให้ท่านได้พิจารณาดูแล้วเข้าใจว่าท่านคงจะพอมองเห็นทางว่าเราจะแก้ปัญหาต่างๆดังที่กล่าวมานี้ได้อย่างไรสำหรับตัวข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าคิดอยู่เสมอว่าเด็กๆซึ่งอยู่ในวัยที่จะฝึกสมาธิได้ ซึ่งหมายความว่าไม่เด็กจนเกินไปและอายุก็ยังไม่มากจนเกินไปเกณฑ์ทั่วไปก็คือเด็กอายุตั้งแต่สิบสองถึงสิบแปดปีเด็กในวนัยนี้ถ้าหากสิ่งแวดล้อมทั้งบ้านดีเด็กมีความสบายใจอยู่เสมอยังไม่ต้องรับผิดชอบอะไรนอกจากการเรียนหรือการงานทั้งบ้านเล็กๆน้อยๆและเป็นเด็กที่มีนิสัยดีกล่าวคือซื่อสัตย์ ขยันอดทนมีความเมตตากรุณามีสัมมาคารวะอย่างนี้เป็นตน้นและเป็นเด็กที่มีสุขภาพร่างกายดีด้วยเด็กประเภทนี้ส่วนมากจะสามารถเอามาฝึกสมาธิให้ถึงขั้นหลับในสมาธิได้ง่ายโดยใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่ถ้าคิดเป็นชั่วโมงก็ไม่เกินหนึ่งยชั่วโมงแต่ทั้งนี้หมายความว่าต้องฝึกทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งชั่วโมง ที่ข้าพเจ้าพูดมานี้ข้าพเจ้ากล่าวถึงตลักส่วนใหญ่ส่วนข้อปลีกย่อยและข้อยกเว้นต่างๆนั้นยังมีอีกมากและเป็นการพูดจากผลงานที่ข้าพเจ้าได้ทําเป็นผลสําเร็จมาแล้วไม่ใช่การเดาหรือคาดคะเนหรือจํามาจากคนอื่นข้าพเจ้ามีความมั่นใจอยู่เสมอว่าถ้าหากเรามีสถานที่ที่เหมาะและสามารถที่จะรับอุปการะเด็กที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการฝึกสมาธิ ไม่นานเท่าไหร่เราก็จะได้เห็นผลงานที่น่าสนใจเป็นผลงานที่ทำให้คนส่วนใหญ่เกิดความเชื่อถือในเรื่องตายแล้วเกิดในเรื่องกฎของกรรมได้ง่ายมากแต่อย่างไรก็ดีขอด้วยโปรดเข้าใจไว้ด้วยว่าเด็กบางคนแม้จะมีคุณสมบัติครบตามที่กล่าวมาทุกประการ <c oughs> ก็ไม่ใช่หมายความว่าจะสามารถฝึกสมาธิถึงขั้นเห็นโอปปปาติกะได้ เพราะยังมีปัจจัยที่สำคัญอีกข้อหนึ่งซึ่งคนทั่วๆไปไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยปัจจัยที่ว่านี้คือบารมีคำว่าบารมีตามศัพท์แปลว่าคุณความดีที่บําเพ็ญอย่างยิ่งยวดเพื่อบรรลุจุดหมายอันสูงสุดซึ่งเป็นสิ่งที่สะสมไว้ตั้งแต่ชาติก่อนๆนะครับไม่พึงสับสนกับคำว่าบารมีตามความหมายในภาษาไทยที่ใช้กัน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 แต่ถ้าหากใช้เวลานานนับเป็นปีๆและต้องมีการเสียสละกันอย่างมากมายซึ่งเท่ากับทุนเดิมไม่มีแต่มาหาทุนเอาใหม่ในชาตินี้ถ้าอย่างนี้แล้วก็พอมีทางแต่แล้วปัญหาก็จะเกิดขึ้นอีกกล่าวคือคนประเภทนี้จะทำได้ไม่นานในเมื่อทำๆไปไม่เห็นผลก็เกิดความเบื่อหน่ายและในที่สุดก็เลิกเพราะฉะนั้น บุคคลที่ไม่มีทุนมาแต่ชาติก่อนอย่างเพียงพอถ้าหากจะเอามาฝึกกันให้ได้จริงๆก็ต้องใช้อุบายหรือวิธีการมากมายและนั่นย่อมหมายถึงว่าจะต้องมีการลงทุนกันอย่างมากด้วยถ้าพระเจ้าคิดว่าในเมื่อสถาบันที่สมบูรณ์เพื่องานนี้ยังไม่มีบุคคลประเภทนี้ก็ต้องตัดออกไปก่อนเราควรจะสนใจบุคคลที่สามารถเอามาฝึกได้ง่ายก่อน ถ้าไม่ทำเช่นนี้งานก็จะเป็นปึกแผ่นขึ้นมาไม่ได้เพราะการทำงานประเภทนี้ถ้าหากคนทั้งหลายรอนานเกินไปกว่าจะเห็นผลเขาเหล่านั้นก็จะหมดศรัทธาหมดกำลังใจที่จะสนับสนุนและงานอย่างนี้ถ้าคนทั้งหลายไม่สนับสนุนก็ไปได้ยากข้าพเจ้าค้นคว้าเรื่องนี้มาเป็นเวลาถึง6ปีกว่าแล้ว ทั้งทั้งที่ทำด้วยเรี่ยวแรงและด้วยชีวิตทั้งหมดข้าพเจ้ามีทำงานอย่างอื่นเลยแต่เพราะขาดการสนับสนุนอย่างเพียงพอจากคนทั้งหลายงานนี้จึงเอาเป็นหลักเป็นฐานไม่ได้มีคนเพียงไม่กี่คนที่มีศรัทธาในตัวข้าพเจ้าอย่างมั่นคงการที่คนเหล่านี้มีศรัทธาเช่นนี้ก็เพราะเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดได้เคยเห็นผลงานที่ข้าพเจ้าพิสูจน์ให้ดูนับครั้งไม่ถ้วน แต่เนื่องจากคนที่เชื่อข้าพเจ้าสองสามคนนี้มีกำลังน้อยทั้งที่เขาก็พยายามช่วยเหลือข้าพเจ้าทุกอย่างแต่กำลังในการช่วยเหลือก็ยังไม่พอที่จะทำให้งานนี้เป็นงานใหญ่ขึ้นมาได้และด้วยเหตุอันนี้ข้อหนึ่งที่ทำให้ข้าพเจ้าต้องออกหนังสือวิญญาณต้องเปิดการสแสดงนิทัศการทางจิตและทำอย่างอื่นอีกหลายอย่างเพื่อที่จะให้คนทั้งหลายเห็นความสำคัญของงานค้นคว้าในด้านนี้ และจะได้ร่วมมือกัน จ, จัดตั้งสถาบันอันนี้ขึ้นมาให้เป็นปึกแผ่นหมายเหตุผู้อ่านเป็นที่น่าเสียดานนะครับเกี่ยวกับการค้นคว้าเพื่อพิสูจน์ว่าโอปปปาติกะมีจริงนั้นถ้าทำได้อย่างขาวสะอาดจะมีประโยชน์กับคนในวงกว้างจำนวนมากอย่างน้อยก็จะได้เข้าใจและศรัทธาในกฎแห่งกรรมอดทนต่อความทุกข์ยากที่กาลังเจอ และมีความหวังในอนาคตได้มันสั่งสงกุศลและจะรู้ว่าจะรักษาศีลจะเจริญสติจะทำอะไรหลายอย่างไปเพื่ออะไรซึ่งปัจจุบันอาจารย์พรท่านจากโลกนี้ไปสู่โลกทิพนานแล้วนะครับงานที่ท่านตั้งใจไว้และมีท่านคนเดียวเท่านั้นที่รอบรู้และถนัดในด้านนี้คือทั้งด้านปริยัติที่แตกฉานในบาลีเป็นผู้ชาระพระไตรปิฎกอัรถกถาและเป็นอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิสอนทั้งด้านปริยัติ และการฝึกสมาธิวิปัสนาให้แก่พระนิสิตในมหาวิทยาลัยสงฆ์ซึ่งงานด้านนี้ต้องได้ผู้แตกชานทั้งสองด้านจึงจะประกันความถูกต้องและทำออกมาได้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงซึ่งในปัจจุบันก็หาใครเทียบเท่าท่านได้ยากโดยเฉพาะงานในด้านเกี่ยวกับการพิสูจน์ว่าโลกหลังความตายมีจริงที่เป็นการพิสูจน์อย่างถูกต้องมีเหตุมีผลไม่ขัดแย้งกับหลักธรรมพิสูจน์เพื่อสร้างปัญญาให้กับผู้คน ไม่ได้พิสูจน์เพื่อสร้างความงงงายเพิ่มให้กับผู้คนถ้าท่านไม่ด่วนจากไปหรือมีท่านใดที่แตกฉานมากพอเท่าท่านและสืบสารงานของท่านต่อมาก็คงจะเกิดประโยชน์กับสังคมได้มากกว่านี้อีกหลายเท่านะครับ